วันนี้เป็นวันพระขึ้น15บห้าคำเดือนเก้าเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีวันนี้ขอให้หมู่พกเพื่อนคืยย้ำแล้วย้ำอีกก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติให้สมความอยากบวชตั้งใจบวชก็ขอให้ตั้งใจจริงอย่าไปอย่าไปตั้งใจแบบรอแหละเลียงหลอกเจ้ามือมบแล้วก็ไปทางอื่น ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะหนักแน่นควรจะตั้งใจควรจะใส่ใจควรจะทำให้เป็นจิตจะลักษณะสู้อย่างจริงจังและจริงใจถ้าว่าพวกเราปฏิบัติสู้อย่างจริงจังและจริงใจผมว่าผลที่ออกมาก็เป็นที่ภาคภูมิใจสําหรับพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัต แต่ถ้าว่าพวกเราทำพอเยอะๆยอะแยะฮผลก็คงออกมาอย่างไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยเพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่เสียสะละเวลาทางโลกมาเวลาทางโลกเป็นเวลาที่มีคุณค่าแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วเราจะไม่มาปล่อยป่าละเลยปล่อยเ ว, เวลาให้ไม่มีคุณค่าได้อย่างไร เรามาส่องแสวงหาคุณค่าหาธรรมมาหาธรรมในจิตใจพระท่านขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้งใจให้ตั้งใจจริงเรื่องศีลาจารวัตรเรื่องหลักพระธรรมวินยัยก็จะให้ขาดตกปกพ้องให้ตั้งใจรักษาศีลรักษาวินยัยรักษากฎระเบียบให้เข้มงวดกวดขันเมื่อเรา ทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วว่ากฎระเบียบเป็นยังไงทําวินัยเป็นยังไงก็ให้พวกเรารักษาเพราะว่ามันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ว่าเป็นของผมผมมันหยัิขึ้นมาแล้วให้หมูรักษาไม่ใช่ผมก็รักษาเหมือนกันรักษาพจน์นี่เป็นคือทําวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราไม่รักษาพระธรรมวินยัยปล่อยปาะละเลยผู้ที่บวชเข้ามา ใหม่ในสุดท้ายภายหลังเขาจะถืออะไรเขาจะยึดอะไรเป็นหลักถ้ารุ่นพี่ไม่พานพวกรุ่นน้องทําถ้าว่าพวกรุ่นพี่เข้ามาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ทําตัวไม่เป็นหลักเป็นแหล่งของรุ่นน้องพอรุ่นน้องเข้ามาแล้วก็เพื่อตามรุ่นพี่พอรุ่มพี่ปล่อยปลาละเลยเฉยเมยดื้อด้านต่อหลักพระธรรมวินัย ไม่เป็นไรเยพรอมดื้อด้านนะาไอ้ตาตามื่อกมันเป็นอยู่แล้วแต่รุ่นพี่เนะี่ยดื้อด้านนะดื้อด้านต ก, กลระเบียบดื้อด้านต่อรักพระธรรมพีนยแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะทำยังไงพวกรุ่นน้องและรุ่นใหม่เข้ามาเขาก็จะยึดพวกเราเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ได้ผลี่สุดพระพุทธศาสนาจะเป็นเป็นผึกแผ่นแน่นหนามั่นคงได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้ให้ช่วยกันคิดนะให้ช่วยกันคิดอันนี้คือ ร, ร, ร, รักษาธรรมวินัยแต่ส่วนด้านจิตใจนั้นก็ขอให้พวกเราภาวนายึดกรรมฐานเป็นหลักคืออานาปนาสติของเราเป็นหลักตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวไว้เวลาเดินก็ขาขวาพุทขาซ้ายโถสรุปแล้วก็คือให้มีสติ สัมปชัญญะในทุกริยาบทในเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วให้มีสติสัมปชัญญะในทุกริยาบทตลอดถึงเราทำการทำงานปัดกวาดก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการปัดกวาดเวลาเช็ดถ้วยเช็ดชามเราก็มีสติสัมปชัญญะในการทำไม่ใช่ว่าวางสิ่งวางของปลกปลกปัก มโลกโปกปากไปเลยก็ได้ยินอยู่แล้วตัวเองวางก็แสดงว่ามันขาดสติอย่างที่หลวงตาท่านมหาบัวเนี่ยเวลาฉันมะขามเนี่ยพอฉันเสร็จแล้วก็โยนเอาวางวางใส่กระโถนุนจะมันเม็ดมะขาม ว, ว่าดังแกลกเนีแกลกที่หนึ่งท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมันแก๊กที่สองท่านก็ไม่ว่าอะไรพอมันแก๊กที่สามเนท่านว่าทำไม ไม่ได้ยินเหรอมันเสียงดังหรือว่าลถเตะหูแล้วลถเตะลิ้นแล้วหูดับไม่มีสติขนาดนั้นเชียวหรอไม่ได้ยินเลยเสียงเรานั่งอยู่ไกลๆขนาดนี้เรายังได้ยินถึงกระลำคาญที่ตัวเองวาง เ, เม็ดมะขามวางไม่ให้มันดังได้ไหมวางไม่ให้มันดังได้ไหมอันนี้ผมก็ได้ศึกษามาทั้งหมด เพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามถ้ามันเสียงดังเราต้องอย่าให้มันดังถึงครั้งที่สามพอดังครั้งหนึ่งแกแ๊กงเราบางครั้งที่สองเราก็ค่อยวางวางจุดไหนมันจึงจะไม่ดังพอเราเป็นพระกรรมฐานการทำอะไรให้มีสติในการกระทำนั้นๆสิ่งเหล่านี้ก็คือการเป็นอยู่จะเดินจะเหินไปที่ไหนเดินไปแบบเสียงลงเท้าดังๆไม่ใช่พระกรรมฐาน ถ้าพระกรรมฐานแล้วเวลาเดินเนี่ยเงียบจะไม่ได้ยินค่อยวางค่อยเดินเดินด้วยความระมัดระวังทีได้ยิน่เสียงฉับๆไปแต่นั่นเองตึงตึงน่ะไม่มีถ้าเดินแบบตึงตึงน่ะไม่ใช่กรรมฐานเดินแบบไม่มีสติเดินแบบลงเท้าเต็มที่อันนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระกรรมฐานสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายคิดดูนะ อย่างผมเป็นแนนก็เหมือนกันเออเป็นพระน้อยพระหนุ่มเวลาแต่ละกุฏิกุฏิแต่ละหลังอยู่ห่างกันไม่ห่างกันเท่าไหร่เวลาเดินยกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นกุฏิเนี่ยวางฝาหม้ออย่างไรฝาปิดโองง่งเป็นโอ่งน้ำนะเราปิดโอ่งน้ําอย่างไรเวลาเราวางโอ่งน้ํา เราต้องตัดแขงข้างหนึ่งซะก่อนแลาจะค่อยปิดอันนี้แหละคือการเป็นอยู่เราจะไม่กระทบกระเทือนองค์อื่นเขาขนาดนั้นองค์อื่นเขากำลังเดินจงกรมอยู่เพราะาเสียงเป็นอันต ร, รายต่อสมาธิถ้าได้ยินเสียงดังกรอกกลึงขึ้นมาพระองค์นั้นกนนน็เสียสมาธิแล้วเสียสมาธิในการจะเดินภาวนาต่อไปแล้วการวางขันน้ำก็เหมือนกัน ไม่ใช่วางโก๊กลกลางแต่ปากมันลงข้ก่อนยังค่อยวางมันจะไม่เสียงดังถ้าวางกลงมันก็เสียงดังฮะอันนี้ผมได้สอนมาทั้งหมดได้รับคำสอนมาทั้งหมดเวลาจะผักกุฏิก็เหมือนกันเวลาจะขึ้นไปตัวเองรู้ว่าฝากุฏิตัวเองมั น, มนดังยังไงแต่โดยมากมันเป็นฝารูดนะเป็นฝาผนังรูดนะเราจะผักไป เวลาเราจะขึ้นไปเนี่เราต้องยกสองฝาจะก่อนค่อยๆสู้ไปพอเสร็จแล้วก่อ น, น, นยกสองฝาแล้วก็ค่อยสู้ปิดอันนี้คือการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานเป็นอยู่ด้วยความระมัดระวังอย่าให้ส่งเสียงอย่าให้มีเสียงในขณะที่เราอยู่ด้วยกันในการภาวนา เพราะเสียงเนี่ยเป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะนั้นผมจึงบอกกล่าวไว้อยู่เสมอว่าผู้ใดก็ตามจ ะ, จะนั่งรถอะไรเข้าไปนั่งรถยีท็อกเข้าไปตอนเช้าหรือตอนไหนก็ตามต้องระมัดระวังอย่าให้เสียงรบกวนแก่หมู่พเพื่อนในการทำสมาธิแต่ถ้าเรานั่งเข้าไปเสียงดังสนั่นบันไหวเราได้งานจริงอยู่ แต่ว่าเสียของหมู่ของเพื่อนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแต่เราได้งานแต่มันเสียสมาธิในการทําภาวนาของหมู่พกเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรลงไปต้องคิดนี่แหละคือเรื่องการเป็นอยู่ด้วยกันต้องระวังเรื่องเสียงเสียงเป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะนั้นหมู่ทุกองค์ เวลาจะไปจะทําอะไรใ ห, ให้ให้ระมัดระวังการที่จะไปทําอะไรเสียงอะไรขึ้นมาใกล้กันนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะขอให้หมู่พวกเพื่อนระมัดระวังสมาธิพวกเรามาเพื่อศึกษาเรื่องสมาธิเราไม่ได้มามุ่งหวังเพื่ออย่างอื่นเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อลาบเพื่อยศเพื่อสรรเสริญ เรามาฝึกหัดดัดนิสัยเพื่อหาทางพ้นทุกข์เราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องโลกโลกแล้วเราจะปฏิเสธไปทั้งหมดเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรเราหวังเพื่อจะทําจิตใจให้พ้นทุกข์นี่แหละคณะทรงจิตออกไปข้างนอก ขั้นจะว่าเป็นสมุทยัยส่งจิตออกนอกแปลว่าเป็นสมุทยัยคือเหตุให้ทุกเกิดแต่บางท่านบางองค์ก็บอกว่าการส่งจิตออกนอกจะว่าเป็นสมุ ท, ทัยทีเดียวก็ไม่ใช่อันนั้นก็ถูกแต่ว่าองค์ที่พูดนะคือส่งจิตออกนอกคือสมุทยัยแต่ตามไจริงการพิจารณาไตรตรองหาเหตุและผลอันนั้นเป็นมักแต่ถ้าว่าจิตอยู่กับตัวเองจิตนิ่งอยู่กับตัวเอง อันนั้นเป็นสมถติาแต่ถ้ามาสง่งจิตไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วจะเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งนี้ก็มันเป็นเรื่องของการประพฤติธปฏธิบัติเพราะนั้นการสง่งจิตออกนอกเป็นสมุทยัยใช่ถูกต้องเพราะสง่งจิตออกไปข้างนอกไปเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามกกิเลส ส่งจิตออกไปสู่กามักิเลสส่งจิตออกนอกนี้คือสมุทยัยส่งจิตไปเพื่อกว้านไปคว้าเข้ามาสู่ใจของตัวเองอันนี้แปลว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทยัยแต่ส่งจิตออกไปข้างนอกให้เป็นมักส่งยังไงอันนี้เราต้องศึกษาส่งจิตออกนอกเพื่อเป็นมัก ค, คือส่งออกสู่ร่างกายถึงจะเป็นร่างกายของคนอื่นก็เถอะ อย่างที่เราไปเห็นซากศพคนตายหรือไปเห็นคนตายที่เน่าเปื่อยเราก็ส่งจิตไปออร่างกายของมนุษย์ชาติตเป็นอย่างนั้นเองมีแต่เต็มไปด้วยอสุภะปฏิกูล อ, อ, อย่างเนี้ยอันนี้พอส่งจิตออกไปนอกแต่ไปพิจารณาหาเหตุและผลเพื่อจะนำมาให้จิตใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้ก็คือ ส่งจิตออกนอกแต่ว่าเป็นมักเพราะนั้นเราให้พิจารณา ว, ว่าการส่งจิตออกนอกเป็นสุขบูไทยการส่งจิตออกเป็นมักส่งยังไงจึงจะเป็นมักส่งยังไงจะเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดไม่ใช่ว่าจะอยู่ในสมาธิตลอดจะเป็นมักเป็นผลอย่างนั้นก็ไม่ใช่จะส่งจิตออกไปนอกตเตลิดเปิดเปิงอันนั้นจะเป็นมักมันก็ไม่ใช่ เพราะนั้นส่งยังไงจึงจะเป็นมัจส่งยังไงมันเป็นสมุทยัยอันนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้หลักทำคําสอนต้องได้รับการอบรมต้องได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราพิจารณาอย่างไงส่งจิตออกอย่างไรจึงเป็นมัจส่งจิตออกอย่างไงจึงเป็นที่มันเป็นสมุทยัยเหตุให้ทุกเกิดนะอันนี้พวกเราก็ต้องแยกแยะให้ออกอเราอย่าเอา พระประม า, มาติพระสดุ์ยกพระสูตรขึ้นมาเราพระประมาติปฏิเสธทั้งหมดอย่างนั้นมันไม่ถูกคือพระประมาติคือพระประมาติคือพระสูตรก็คือพระสูตรมันคนละแถวแนวแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการแยกแยะและวิธีการประพฤติปฏิบัตินั้นมันจะไม่ตีกันมันจะไม่ล้ํากันไม่จะไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าพวกเราไม่ได้แยกแยะให้ดีแล้ว มันจะทะเลาะกันได้ไง่ายๆคนหนึ่งบอก่งจิตออกไปเป็นสมุทยพูดจบเพียงแค่ในองค์ที่เอาถ้าไม่พิจารณาแล้วจะเป็นมรรคได้อย่างไรถ้าถ้าส่งจิตออกไปตลอดอย่างนั้นใช่ไมเป็นมรรคก็ไม่น่าจะใช่นเพราะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยเราต้องฟังทั้งสองเงื่อนส่งจิต ย, ยังไงเป็นสมุทยัยท่งจิตออกไปยังไงจึงเป็นมรรค การพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นมักมักคะคือปฏิปทาคือหนทางหนทางที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจของเราพิจารณาอย่างไรเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นสังขานทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นโลกทั้งโลกไม่พึงปาฏถนาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าคงจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเกิดมาแล้วก็แก่เกลียแล้วก็เจ็บเจบแล้วก็ตาย ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองนะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของหลักพัะธรรวินัยให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตให้เป็นผู้มุ่งมั่นเราบวชมาทั้งทีอย่าให้เสียทีเมื่อครวาดเราเสียสละออกมาเวลาของเรามีคุณค่า แล้วเข้ามาศึกษาธรรมะก็ให้มีคุณค่ารักษาจิตรักษาใจของต น, นเองให้จริงจังและจริงใจนะผมว่าถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างงั้นนี่แหละมรรคผลนิพพานอยู่กับพวกเราไม่ไกลนะในพรรษานี่อย่างวันนี้อย่างวันพระอย่างนี้นนะพวกเราจะถือเดชสัทิทดลองดูสิอดนอนดูสิผอนอาหารดูสิเป็นยังไง สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทดลองครูบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้แนะอย่างผม เ, เป็นแต่เพียงแต่ผู้แนะแต่ผมเคยทํามาแล้วผมจึงแนะพวกท่านการทพภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมมันต้องมีที่หนักที่เบาไม่ใช่วันไหนก็วันเก่าวันไหนก็วันเก่าจะเป็นเครื่องกระเทือนกิเลสได้อย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราทดลองอย่างนี้ดูสิ อดอาหารดูสิอดนอนดูสิอดนอนสองสามวันดูสิเป็นยังไงแต่บางท่านบางคนก็เวล้อดนอนจิตใจมันปลอดโปร่งนะแต่วันมันวันแรกเนี่ยมันอาจจะงัวงเงียงัวงเงียวอนยะ่างนั้นเถอะมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยแต่พออดวันสองสาวันรู้สึกว่าจิตใจมันโดดเด่นขึ้นมาพิจารณาอะไรคล่องแคล่วไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่บางท่านก็าอดนอนไม่ได้อมันไม่ไหว อดอาหารอดอาหารวันหนึ่งมันก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเพราะมันยังธาตุขันยังปรับไม่ได้เพราะอดที่วันที่สองที่สามดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นมันชุดแท้แต่พวกเราบางทีเอาอดทั้งอดทั้งพรทั้งอาหารด้วยทั้งอดนอนด้วยเป็นยังไงผออาหารแล้วอดนอนด้วยเป็นยังไงการภาวนาใจของเราเป็นยังไงมีสติสัมปชัญญะดีไหม ถมีสติสัมปชัญญะดีก็แสดงว่าใช่ได้จากนั้นก็นํามาพิจารณาตรายตองเหตุและผลนี่แหละการประพฤติธปฏิบัติธรรมพวกเราจะทําหน้าเดียวพยายามทําดูซิทําอย่างนี้เป็นยังไงทําอย่างนั้นเป็นยังไงฮะแต่ถ้าว่าพวกเราทําในอย่างเก่าแล้วก็ฉันอย่างเก่าอ ย, อย่างเก่าผลไม่มีผลไม่เกิดขึ้นอหมปวที่ศูนก็ตําหนิปพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโอ้เราก็ มาบวชแล้วไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะไม่เกิดขึ้นเพราะเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเพราะเราไม่ได้ค้นคว้าเพราะเราไม่ได้ศึกษาเพราะเราไม่ได้ประพฤติอย่างจริงจังและจริงใจเพราะนิสัยของคนเรามันก็ต่างกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านตรัสไว้นะจิตรห พ, พุทธเจริญเป็นนิิตรที่ชอบคิดนะี่วิตกนิจิตรก็วิตกชอบวิตกกังวลในเรื่องต่างๆฮนะ ลาค่าจริญก็ชอบไปทางการมัริเลตเห็นอะไรช่วยช่วยงามไปหมดน่ารักไปหมดโทสะจริตเป็นคนขี้โมโหอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นเราอยู่ในจริตไหนเราจะใช้กรรมฐานไหนที่เขมาแก้ไขจริตของเรานั้นเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเราตัวของเรานั่นจะรู้ได้ทุกอย่างในการเป็นอยู่ของพวกเรา เพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจนะมาตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมธรรมะคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในท่านทดลองทดสอบมาแล้วที่ท่านล่วงรับรับขันไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมามากต่อมากแล้วเพราะการประพฤติธปฏิบัติธรรมของท่านที่ท่านแนะนําสั่งสอนเนะี่ยให้พวกเราฟังศึกษาธรรมะลิกิดของท่านในแต่และองค์ท่านประพฤติธปฏิบัติอย่างไรพวกเราคนน่าจะ นำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะมาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็คงจะประสบความสุขความเจริญใจเป็นอย่างน้อยนะออไม่ใช่ว่าบวชเข้ามามีแต่ทุกขุมลมหัวใจอยู่ตลอดลเวลาลามีแต่ทุกขระทมอยู่ในจิตในใจแม่ข้าบวชเขานี่คิดถูกหรือคิดผิดนะอยู่อย่างนั้นถูกหรือผิดมันก็ได้บวชมาแล้วเนะ่ยองทดลองเลยสิ ความรู้ความรู้สึกอย่างนั้นเตะออกจา ก, กจิตใจดูซิมันเป็นยังไงเราจะแสดงความอาถรรพ์ขึ้นมาซิทําไมเราจึงไม่เชื่อทำคําสั่งสอนทําไมเราจะไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติดูซินั่งทั้งคืนดูซิเดินอย่งกลมดูซิกําหนดสติอยู่กับตัวเองดูซิอตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่เลยิวันนี้ข้าพเจ้าไม่ส่งจิตไปที่ไหนทั้งวันเอาดูซิเป็นยังไงเอาสักวันสองสาวันดูซิเป็นยังไงฮะ ถ้าเราทําได้ขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงทีนี้ความขี้เฉาของเราความง่วงเหงาของเราความขี้วิตกกังวลของเราเออมันจะกระเด็นกระดอนนั่นแหละธรรมะในสิ่งที่ไม่เคยมีเคยเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันจะเบิกบานขึ้นมาในจิตในใจของเราเนี่ยแหละเหมือนกับเมฆหมอกมันมาปิดบังจิตใจของเราทําให้จิตใจของเรามืดมัวมืดมนอ น, อนตการ ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเดินทางไหนเนี่ยจะเชื่อครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อแต่เชื่อตัวเองก็ไม่ไม่รู้จะเชื่อยังไงโผล่ในสู่เขเลยเอาเรื่องของเก่าแก่เรื่องต่างๆเรื่องเคยผ่านมาแล้วกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะที่เคยผ่านมาแล้วเอามาครบมาคิดเอามานอนคิดเนปุ่งฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหะเ่ยมันไม่ถูกนะบัดนี้เราเป็นพระแล้วนะเราจะควรจะถีบมันออก อย่าให้มันอยู่ในจิตในใจเราควรจะเอาธรรมเข้ามาแทนที่นะหัวใจของเราเหมือนกับเกา้าอี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเอาอะไรเรา อ, อ ก, กิเลสมานั่งใช่ไหมถ้าเรา อ, อ ก, กิเลสมานั่งกับอย่างนั้นนะอ่ะอมทมทุกข์อยู่งั้นนะถ้าเราเราเราอาธรรมมานั่งนะเอยเราก็นี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะโดดเด่นเด็ดเดียวอาจฐานเอาธรรมเข้าสู่จิตใจาจากนั้นก็นั่นละ่ะ จะเห็นมรรคเห็นผลเห็นสมาธิเห็นความสงบขึ้นมาในจิตใจนะวันนี้ได้พูดแนวธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาไปเห็นมาสงควรกับการเวลาอตอนน้ไปสุดท้ายปฏิโมกแลวก็เลิกกันแล้วก็ตอนเย็นค่อยขึ้นกลับขึ้นมาอีกนะ